วันนั้นชั่วโมงตอน <c oughs> แล้วก็พิจารณาธรรมะนั้นเราก็จะ <c oughs> <c oughs> เวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมแต่ละครั้งนั้นก็ <c oughs> อันนี้ก็โดยการตั้งใจฟังคือมีจิต <c oughs> ฟังผ่านไปเฉยๆผ่านไปเฉยๆมัน <c oughs> นั่นการทำสมาธินะหรือว่าการนั้นให้มันสงบ <c oughs> เป็นความความคิดปรุงแต่งปัญหาเรื่องๆนะเป็นความคิดที่ทําลายจิตใจของเราเองนะคือ แต่เราคิดไปแล้วเนาะมันก็จะทําให้ใจของ <c oughs> <c oughs> หรอปรุงแต่งไปในๆให้เราคิดอยู่อารมณ์เดียวนะคือเช่นธรรมมันก็ ทำให้จิตใจของเราเฝ้ามองดูว่าเป็นทุกข์ก็ <c oughs> คำบริกรรมบริกรรมอ่ากรรมฐาน 40 อ่าคืออุบาย <c oughs> <c oughs> จิตของเราไม่ได้จากบาปหรือว่าสงบจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆที่มันปะทุสลายจิต <c oughs> นั้นจิตของเราร้ายคือความๆนะคิดไปให้เรื่องของความโลภความโกรธความหลงความมานะ <c oughs> เราเป็นโรคร้ายทางร่างกายของเราเนี่ยบางทีเราก็ต้องยอมร้ายหรือว่า อ่าที่ใดก็ตามเราต้องตัดเนื้อร้ายส่วนนั้นทิ้งเรื่อง <c oughs> โกรธเรื่องพยาบาทเรื่องโลภเรื่องนะหลงอะไรเหล่าเป็นความวิตกกังวลห่วงใยอ่าห่วงใยในสิ่งต่างๆก็ว่าเรามีเราก็ไปยึดถือสิ่งนั้นสิ่งใดว่าเป็นตัวเราว่าเป็นเราจะห่วงสิ่งนั้นวิตก และเมื่อเราหาหนทางปกไว้วิตกกังวลเราวิตกกังวลหรือว่าคิดห่วงใยในสิ่งต่างๆที่เรามีเราเป็นอยู่นั้นอันนั้นก็เรียกว่าเป็นมะเร็งร้าย <c oughs> จิตเราได้รับความทุกข์อ่าจิตเราเศร้าหมองอ่าห่วง ทรัพย์สมบัติปวงญาติสนิทมิตรสหายห่วง แล้วอารมณ์เราเป็นทุกข์เดือดร้อนอ่าแล้วสิ่งทั้งหลาย <c oughs> ครับนั้นเราจะเห็นว่าบางคนยอมสละชีวิตเพื่อไปปกป่องทรับสมบัต ny cód c สี่ tradition sp, เ�قือ keen และ lit a m t j et e r o e t r t e e r ทีถượngก็แย่นชิงสิ่งของ C t y o q q ห d e r e o ch y a r a e Giul y e n a y y e d เปลี่ยงเรیک ان้อย แต่เราก็แล้วปกป่องสิ่งของเรานั้นอัน บางทีก็ถượngเขา ข้าตาย u E S e r ต่างๆชีวิตเรามีค่ามากกว่าสิ่งของเหล่านั้นมากมายคือ <c oughs> แล้วก็เสียดายปกป้องก็จะต้องถูกเขาทําร้ายหรือว่าฆ่าอ่าให้เราสิ้นทั้งๆที่ชีวิตเราเนี่ยมีค่ามากมายกว่าสิ่งของเรานั้นอ่าเพราะชีวิตเรามีอยู่ชีวิตเรายังเป็นอยู่เราสามารถหาสิ่งของเหล่านั้นได้มากมายกว่าสิ่งที่ต้องสูญเสียไป <c oughs> เราเข้าแล้วเราก็ต้องคุ้มครองรักษายึดอ่าเข้าไปยึดมั่นๆอ่าห่วงใย ต่างๆที่เรามีจิตเราต้องไปประงแต่งอยู่กับสิ่งรู้เท่าทัน <c oughs> เราจะเพราะมีแบบไม่ยึดสิ่งของมากมายเท่าไหร่มันก็เหมือนกับไม่มี อ่าชายามันเป็นประโยชน์ไม่ว่าเราจะมีทรัพย์สมบัติหรือว่ามีสิ่ง แล้วเพราะความเสียดายไม่ได้ให้คนอื่นอ่าเพราะความเสียได้นํามา วันหนึ่งเราก็ต้องจากมันไปเราก็ต้องทิ้งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไว้บนแผ่นดินนี้ทิ้งไว้ให้คนข้างหลังยื้อแย่งกันต่อไปนะเราจะเห็นว่าคนนะเวลาที่ <c oughs> สิ่งเหล่านี้ก็ว่ามันทําให้อ่ามันทําให้เราเนี่ยเป็น เราก็ไม่ได้ปลื้มปลื้มใจแต่ว่าเรา <c oughs> Mm. เอาไปพิจารณาในสิ่งเหล่านี้อ่าตามความเป็นจริงนะเราก็อาจจะอยู่ในโลกนี้ด้วยปัญญา นั้นเราจะๆเนี่ยมาเก็บเปล่าฮะมากองไว้บนแผ่นดิน ซึ่งรับยศสรรเสริญได้มาในสิ่ง การฟังธรรมแล้วรู้จักพิจารณารู้จักแยกแยะอ่ารู้จักแยกแยะสิ่งต่างๆหรือว่ารู้จักอ่าพิจารณาในหลักของพระไตรลักษณ์นะนะเราก็จะมีความเข้า <c oughs> มีอ่าสิ่งใดมากมายเพียงไรเท่าทานเราก็สักตัวมีเท่านั้นถ้าเรา อ๋อที่นอนเราเท่านั้นนะนั้นอันนี้เราต้องใช้เอ่อ มันมีคิดปรุงแต่งนัววิตกกังวลในเรื่องต่างๆอ่าวิตกกังวลในเรื่องนู้นเรื่อง ความคิดต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาหลาก <c oughs> เราจึงจะมองเห็นรักความจริงอันนี้อืมเอาจิตไม่มี ที่จิตใจของเราเนี่ยที่อ่าใจของเราเนี่ยใจใจบางทีเราคิดวิตกกังวลไปว่าเรื่องอะไรเกิดขึ้น ฉะนั้นถ้าว่าเราได้ศึกษาธรรมะหรือว่าไอ้ฟังธรรมะบ่อยๆนะเรารู้ ถ้าเราอืมรู้จักอย่างใดว่าอ่าพิจารณานั้นการที่เราระลึกถึง <c oughs> อิติปิโสภควาอรหังสัมมาที่เราไม่รู้ว่าคุณของพระไม่เข้าใจว่าสวดไปเนี่ยมันอ่ะมันไม่เข้าใจว่าอิติปิโส ด้วยวิชชาและจรณะวิชชาจรณะสัมปันโนวิชชาตัวนี้ ถึงพร้อมสมาธิอ่าพออธิษฐานแล้วว่าอ้าววัน อ่าพอตั้งสัจจาธิษฐานไปแล้วเนี่ยก็อ่าเข้านั่งสมาธิอ่าเจริญอานาปานุสติจนกระทั่งบรรลุๆที่ เราฟังธรรมจิตเราก็อยู่ที่นี่มั้ยอ่าไม่ไปที่อื่นก็มีสมาธินะนั้นอภรณ์อ่ามีจิตไม่หวั่นไหวมีสมาธิ เน่ประชา 10 ชาติก็ตามประชา 500 ชาติก็ตามอ่าว่าพระองค์เคยเกิดเป็นอะไรมั่งเกิด คนเราว่านี้กว่าเที่ยงคือมีความเห็น <c oughs> อ่าคือเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเกิดคือต่อไปก็จะมาอันเนี้ยมีความเห็นผิดแล้วก็เป็นอ่า <c oughs> อันเนี้ยอัวบุเพนิวาสานุติญาณเนี่ยจะทําให้ว่าว่าจะเป็นอะไรอ่าคือพระองค์เป็นมาหมดแล้วอ่าไม่ว่าจะเป็นเปรตอสุรกายอะไรเนี่ยพระองค์เกิด เอ่อทําให้หมดความสงสัยใน สามารถจะจะรู้ว่าเห็นสัตว์ที่เรื่องเกิดอ่าอุบัติเรวหรือปราณีต่างกันด้วยอํานาจของกรรมอ่าคือพระองค์สามารถรู้ว่าการ อ่าไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมเพราะกรรมอะไรอันนี้ก็ว่าจุตูปปาติญาณหลายทั้งปวงไม่เที่ยงอ่าที่ว่า เร <c oughs> <c oughs> เราก็ไปเกิดเป็นสัตว์เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราสร้างเหตุๆเนี่ยเราก็ไปเกิดเป็น Blue light to go together ックfenestate sent out those conditions that died reluctant being breathes autied dream pricked Does and throughout our point to the our effect outward from a one that rewarded on свобод without Learn about what we have required his good to be aware. With mirip same accepting, make a hand hold, is one. So there's a returning time, we can have three hundred and few dishes. Theok supportive south faudra. was their joke, straits. It doesn't, twenty. We, there is not. It's sad. We might rather.ck อ่าปัจฉัยใจของมนุษย์เรามันต่างกันนั้นเรา <c oughs> อันด้วยกุศลธรรมที่เคยทํา <c oughs> นะมนุษย์เราจึงมีจิตใจที่ต่างกันไปเพราะมันเพราะนี้ มนุษย์เรามาจากภูมิที่ต่ําอ่า มีการประพฤติๆเราเห็นเราดูสัตว์นั้นถ้าหากว่ามัน คือมันเปลี่ยนได้รูปกายแต่จิตใจมันไม่ได้เปลี่ยนอ่าคือในขณะที่มันเป็นสัตว์เดรัจฉานมันมี เนี่ยฉันบางตัวก็ว่านอนสอนง่ายบางตัวก็อ่าบางชพวกนี้ก็ดุร้ายอ่ามันอุปนิสัยใจคอก็ต่างกันนั้นเมื่อมาเป็นมนุษย์เนี่ยนิสัยเดิมมันก็จะติดมาหรือถ้า <c oughs> สร้างบุญต้องรักษาศีลต้อง ไอ้คนที่เคยทําสมาธิมันก็ชอบทําสมาธิอ่าเหล่านี้เป็นต้นเพราะอุปนิสัยเดิมอะอุปนิสัยเดิมของเทวดา คือสะสมเนี่ยบารมี 10 เนี่ยเกิดมากี่ภพกี่ชาติมันก็บําเพ็ญทาน บารมีเหล่านี้อุปสัยเหล่านี้ก็จะ 2 อย่างเนี่ยนะที่ว่าสะสมกิเลสคือร่างกาย อ่ารูปกายเนี่ยเราเราที่ว่าเราอ่าเป็นมนุษย์เนี่ยพอเราสร้างกุศลกรรมบรรจบนะฮะจึงได้ อ่ารู้จักธรรมสมาธิเจริญเมตตาพรหมวิหารแต่ เถอ Without ch聽生, I lovealls Being, a paupen. I like Sraveth, I like Tinayan music, I like Concent절, Rally. Έて tee out. emen go to question our oppression and surere this structure, therefore, we go to this system to invade with the language, like eigene parts. Americans passe. If there is a lot of pride, it does not actually keep the joy inside of us, spirit, logical condition it does really early. อ่าที่จะทําให้เราไปเกิด เราสะสมสิ่งเหล่านั้นอ่าว่าคือจิตเนี่ยมันจะพาเราไปเองที่ เรามาสร้างบุญสร้างบาปกันส่วนโลกหน้าเป็นโลกของการรับวิบาก อ่าถ้าไปสู่สวรรค์นี่ก็โลกที่ไม่มีการเบียดเบียนถ้าไปสู่ประมาณโลกอ่าได้รับอ่าเหลือรู้ว่าอ่า เป็นเปรตอสุรกายเพราะอะไรเป็นเทวดาเป็นพรหมเพราะอะไร <c oughs> <c oughs> เพราะรูลสัตว์โลกทั้งหลายนี่มันไม่เที่ยงไปเกิดได้ทุกที่อ่า <c oughs> สู่ภพภูมิเหล่านั้นเป็นการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะทรงเพราะอะไรเป็นปัจจัยเพราะมีความโลภเป็นปัจจัยมีความโกรธเป็นปัจจัยมี <c oughs> ว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราว่าเป็นของเราอ่าจึงต้องทําชั่วทําบาปแล้วก็ต้องไปเอ่อวงเยียนของ <c oughs> <c oughs> มีญาณหรือว่าปัญญาอย่างรู้ลึก 2 <c oughs> วิชาทั้งนั้นอ่าคือรู้กําเนิดจุติของสัตว์โลก ก็อาจจะบำเพ็ญได้แต่ญาณที่จะทําให้พ้นทุกข์นี่มีเฉพาะในพุทธศาสนาเท่านั้นญาณที่ กาเมสมิชาอาจารย์เพราะอะไรกล่าวมุซาวาดหรือว่ากล่าว อันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยอ่าที่เราต้องฆ่าสัตว์พี่น้องก็อาจ <c oughs> นะอันเนี่ยที่เราต้องทําบาปเพราะความ นิพพงขอหาวิธีอย่างไรจึงจะทําลาย <c oughs> จะห่อเหินเดินอากาศหรือว่าเกรงเวทมนต์คาถาเพียงใดก็ตามขอไม่พ้นทุกข์เอาเวทมนต์คาถามาฆ่ากิเลสไม่ได้เวทมนต์คาถามาต้านทานความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้เอาเวทมนต์คาถามาป้องกันไม่ให้ไปเกิดในนรกไม่ได้เอาฤทธิ์ ขอเหินเดินอากาศได้ไปร่วง ฤทธิ์มันฆ่ากิเลสไม่ได้ฤทธิ์มันอาจจะทําให้ได้ลาภสการะได้การครบนับถีนะทําให้คนหลงงม หนีไปได้แต่พวกโจรก็ไม่ลดละอ่าตามมาร้อมไอ้พระโมคคัลลานะ ยอมให้โจรทุบตีจนกระดูกแหลกเหลวอ่าแล้วก็ ลาภยศบริวารเท่านั้นแต่ป้องกันความทุกข์ไม่ได้อืมคนมีฤทธิ์เอ่อว่ามีเวทมนต์ ที่จะป้องกันได้ก็คือปัญญาหรือว่าวิปัสสนาญาณนั่นนะคือเอาฤทธิ์มาป้องกันไม่ได้เอาเวทมนต์คาถามาป้องกันความชั่วป้องกันความโกรธไม่ได้ป้องกันความโลภไม่ได้เอามาต้านทาน ญาณวิปัสสนาญาณที่จะไปฆ่ากิเลสพวกนี้นะอืมนั้นสิ่งที่จะทําให้เราพ้นทุกข์ได้มันก็มี แล้วห่อเหินเดินได้แต่ก็เหมือนพระเทวทัตเอ่อห่อเหินเดินอากาศได้แต่ไม่ไม่ไม่ใช้สมาธิหรือไม่ใช้เอ่อปัญญานั้นเข้าไปฆ่ากิเลส ความทะยานอยากเป็นใหญ่เป็นโตแทนพุทธเจ้าเนี่ยมันก็ทํา อยู่แล้ววิริตมันทําให้ แล้วเรามีวิธีการอย่างไรเนี่ยมีวิธีการอย่างไรที่เอ่อเราจะทําอย่างไร จะต้องอ่าข้ากันเบียดเบียนกันเพราะความโลภเป็นปัจจัยเพราะความโกรธเป็นปัจจัยความหลงเป็นปัจจัยนั้นทำอย่างไรเรา ทั้งนั้นที่เรารู้แต่ทําไม คือเราไม่มีปัญญาเข้าไปแยกแยะมันรู้ที่เกิดไม่รู้ที่เกิดที่ดับของมันเราก็จะได้เลิกมันไม่ได้ พอเราเป็นทาสของมันเนี่ยอ่าทางทางที่เรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ดีแต่เราละเลิกมันไม่ได้ <c oughs> จอมเนี่ยนว่าตะสงสารก็เป็นทุกข์กระดูก <c oughs> อ่ากระดูกของเรานี่ก็ 1 กลับ 1 กระดูกของพวกเราแต่ละคนนี่ก็มันกองใหญ่กว่าอ่าคือกระดูกของเราแต่ 1 ฮะกระดูกกองใหญ่กองโตขนาดนั้นแต่ หรือว่าเอ่อน้ําตาที่เราต้องรังไหลออกมาเนี่ยฮะที่เราได้รับความทุกข์เพราะการพลัดพรากจากสิ่งที่รักหรือว่าปรารถนาอะไรแล้วไม่สมปรารถนานะเราต้องพลัดพรากจากพ่อจากแม่จากพี่จากน้องจากคน <c oughs> คือเราต้องพลัดพรากจากกันแล้วเราต้องร้องไห้เศร้าโศกเสียใจอ่าท่านแสดงว่าเท่าน้ําตาเหล่านั้นมันไม่เหือดแห้งไปเนี่ยมากมายกว่าน้ําในมหาสมุทรแต่ละคนอ่าแต่ละ เราลองเอ่อชาติเดียวเนี่ยเราลองเนี่ยน้ําตามันต้องรังมามากมายเหลือจี้ขนาด แล้วบางครั้งเราต้องไปเป็นสัตว์เป็นแพะเป็นแกะเอ่อเป็นหมูเป็นเอ่อวัวเป็นควายเป็นเป็ดเป็น ที่เราต้องเกิดต้องตาย 500 ชาติ 1,000 ชาติเนี่ยให้ก็ถูกเชือด ซึ่งสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงแสดงให้พระภิกษุ ทำผิดอ่าที่เราไปลักขโมยอ่าไปปล้นไป เพราะอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้จริงมันปิดของวัฏฏะสงสารเอานี้ แล้วไปรับนะเราเกิดกันอ่าก็อ่าถ้าอ่า เจอกันมันก็จะถูกใจกันมันก็จะถูกใจอ่าแต่ถ้ามันห่างเหินออกไปเนี่ยอ่ามันห่างเหินออกไปเนี่ยมันก็เถื่อนลางไม่ อ่าเท่าชาติมันใกล้ ไอ้การที่เคยทําบุญร่วมกันในภพก่อนมาเจอกันมันก็กันอีกอ่าถ้าไม่ มันมาเจอกันแล้วเนี่ยเราอีกคนทำทานอีกคนไม่ แต่ด้วยบุญกรรมที่เคยสร้างกันมาเนี่ยเคยร่วมกันเนี่ยบางทีก็ไปกาดจะไปเกิดเจอกันอีกอ่าแต่ถ้าไม่เจอกันมัน มาในการที่เราได้มาอยู่ร่วมกันได้มาอ่าปฏิบัติธรรมร่วมกันนึงก็ด้วยเหตุปัจจัยเลยเคยสร้างร่วมกันมาอ่าพอเคยสร้างร่วมกันมามันเหตุปัจจัยนั้นมา กรรมแต่ละคนด้วยเหตุปัจจัยแต่ละคนมันก็ไป เอ่อเกิดมาพิการมั้งไม่พิการมั้งมันอยู่ที่เหตุปัจจัยของ เวลาทําผิดกฎ แต่เมื่อเราทําผิดกฎหมายทั้งๆที่เราไม่ต้องการอ่าไม่ต้องการไปถูกติดคุกติดตารางเช่น เราทำไปทํามันเนี่ยไอ้การกระทําของเราเนี่ยมันจะดึงดูดดวงจิตดวงใจของเราให้ไปเกิดในภพภูมิเรานั้นฮะ วจิตเราต่ํามันต้องไปเกิดในที่ต่ําทั้งๆที่เราไม่ต้องการนะเราพยายามหลบหนี เชื่อโลกนี้โลกหน้าหรือไม่เชื่อก็ตามนะเราทําบาปแล้วเนี่ยไอ้ดวงจิตของ คือว่าเราเปลี่ยนแปลงความจริงไม่ได้ความเชื่อไว้เปลี่ยน หรือว่าอ่าทํางาน ไม่ได้ทําอะไรทิ้งไว้บนดินบนแผ่นดินเนี่ยอ่าหารอบยศสรรเสริญทรัพย์สินเงิน อ่าเราแสวงหาสิ่งเหล่านั้นมาด้วยความไม่ชอบธรรมมันก็มีบาปติดตัว ถ้าพูดเป็นภูมิเนี่ยจะมี 4 ภูมิจิตถ้า 3 ภพอ่าเค้าเรียกกามภพรูปภพอรูปภพสัมผัสอ่า อ่ากามภพมีมนุษย์ 1 6 ชั้นอบายภูมิ 4 อ่ารูปภพ 16 ชั้นอ่ามี 16 ชั้นอันนี้ต้องทําสมาธิ 4 ชั้นแต่ถ้าเรา 4 ภูมิถ้าเป็นภพไม่มีมีกามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิมรูปาวจร อ่าถ้าเราบนรูปภูมิเนี่ยมันเรื่องของจิตก็รอบภูมิจิตจิต ก็นั้นกามกามกามคุณ 5 รูปาวจรภูมิคือภูมิจิตที่สําเร็จ มันเราต้องใช้นิมิตอ่าเช่นเพ่งไฟเพ่งดินอะไรอย่างเงี้ยเรากําลังนึกถึงภาพเหล่านั้นอ่ามัน อ่าทําให้ระยะใหญ่ได้รูปเป็นอารมณ์คือมันคิดกิเลสให้สงบคือสะกดความคิดในเรื่องอื่นเช่นอ่าบังคับ ย้ายไปข้างหน้าย้ายไปข้างหลังบังคับใช้จิตบังคับเนี่ยมันก็ไม่ไปคิดเรื่องอื่นคิดแต่ 16 ชั้น ที่มี 16 ชั้นเนี่ยเพราะจิตปราณีตต่างกันคือฌานนึงจะมีอ่าสมมะปฐมฌานเนี่ยก็นั้น ก็ 16 ชั้นคือจิตที่ประณีตแล้วอรูปาวจรภูมิอ่าอันถ้ารูปรูปาวจรภูมินี้เราเพ่งรูปเป็นอารมณ์จนมีสมาธิคือนึกถึงภาพนิมิตอ่าภาพก็นั่ง <subjects 195 2> อ่ะอยู่นิมิตอยู่อย่างนี่ก็จะก็เช่นมีตาทิพย์มี <c oughs> มีเจโตบริหารคือรู้จิตผู้อื่นก็จะ <c oughs> อรูปวจรภูมิอ่าคือจิตที่ไม่มีรูปเป็นอารมณ์อันนี้เป็นเพ่งอะไรเพ่งจิตเพ่งความคิดนั่นเองอ่าเพ่งอ่าเพ่งเป็นอากาศคือคือมองทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย อะไรพอเดี๋ยวมันแตกสลายตรงนี้ก็มันมันก็หมด <c oughs> <c oughs> คือมองเป็นเลื่อนจิตขึ้นไปอีกอ่าเลื่อนไปเพ่งสัญญาเลื่อนแล้วจึงจะ เป็นรูปาวจรคือไม่มีรูปเป็นอารมณ์แต่มีเป็นอารมณ์อันนี้ไปเกิดเช่นอุทธกดาบทอลาดาบทอ่าที่พุทธเจ้าเป 4 ภูมิสุดท้าย คือหลุดพ้นพ้นไปจากรูปนามว่าอรูปา ต้องไปเกิดในรูปาวจรภูมิคือเกิดในภูมิเหล่านี้เกิดเป็นเปตอสุรกายสัตว์ลกสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็น พอหมดกําลังสมาธิไปเกิดไปมนุษย์เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกได้อีกเพราะอะไรเป็นเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงพร้อมปราบหานกิเลส เพราะอะไรเพราะเราลุกจากที่แล้วเกือบไปโดนคนก็ด่าหรือไปประสบกับสิ่ง จากภูมิสูงแล้วมันก็ต่ําลงไปคือถูกโลภะถูกโศกสังครอบงําก็ภพภูมิเหล่า 3 คือโลกุตตรภูมินี้ที่กระทบอะไรแล้วเนี่ยสูงและกระทบโลภกระทบโกรธกระทบรูปเสียง หยดน้ํามันหยดไปถูกต้องใบบัวแล้วมันก็หล่นลงไปหล่นลงไปไม่ซึมเข้าไป กระทบคําด่าแล้วคําด่าก็ร่วงลงไปพอกระทบโทรศัพท์โทรศัพท์ก็ไปนั้นจิตจึงไม่ สัมผัสอะไรมาร้อนมาย้อมจิตเป็นอย่างอื่นไม่ได้อ่าหยดน้ํายังไงมันก็อยู่คือเบิกบานแหละเป็นโลกุตตรภูมิอ่าคือเป็นภูมิ ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายโลกเค้ายังโลภยังโกรธยังหลงกันอยู่ผู้ สิ่งที่ถูกใจไม่ถูกใจก็กระทบแล้วก็วางจิตก็จะอยู่ธรรมชาติ นั่นก็ขอให้เราได้เพียรพยายามอ่าที่จะเอาจิตของเราเข้าสู่โลกุตตรภูมิ วิชา 3 ส่วนจรณะคือข้อปฏิบัติจรณะคือข้อปฏิบัติให้ได้วิชา 3 ก็คือมาซึ่งวิชา 3 อ่ะวันนี้ก็